ผู้ทวาสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสัสนีสนทนาทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวเอ1เอ็มร้อยหสอทรอนะคะซึ่งก็เป็นรายการที่ได้นำเสนอมาเป็นเวลาช้านานแล้วล่ะค่ะเรามีรายการวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันจันทร์ถึงวันพุธก็จะเป็นเวลาที่พระอาจารย์ไพลบุญอภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศกอุดรธา น, นีได้ แสดงทำให้ท่านฟังกันอย่างจุใจเลยเมื่อก่อนก็จุใจแบบ25นาทีตอนนี้สถานีก็เห็นว่ามีประโยชน์มัมคะก็เลยเพิ่มเวลาให้อีกวันละ10นาทีเป็น35นาทีทั้งสัปดาห์เมื่อกี้พูดไปถึงวันพุธใช่ไหมคะพอถึงวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์ดิฉันสันสนินีนาคพง์นะคะก็จะได้โอกาสที่ดีมากราบนมัศการคาถามเพื่อที่จะให้ได้รับคาตอบ เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำไปสู่การที่พวกเรามีโอกาสไปปฏิบัติตามเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของชีวิตค่ะเช่นเดียวกับวันนี้นะคะซึ่งดิฉันกำลังจะพาท่านทั้งหลายไปกราบนมัสการค่ะท่านคะเจริญค่ะก็เป็นโอกาสอันดีเลยนะคะที่วันนี้ได้สามสิบห้านาทีอืมเจริญเป็นวันแรกถูกไหมคะใช่ดิฉันเองก็จะได้ถือโอกาส ถามคำถามซึ่งคิดว่าหลายคนรวมทั้งตัวเองด้วยต้องการทราบจากการที่ท่านได้มาแสดงธรรมให้กับคนในกรุงเทพแล้วก็ในละแวกใกล้เคียงในโอกาสวันที่เจ็ดที่ผ่านมาเนธันคมที่ผ่านมาใช่ค่ะแล้วก็บางคนก็อาจจะพลาดไปอย่างเงี้ยนะคะดิฉันก็ได้ทราบมาว่าผู้สนใจไปฟังมีจำนวนมากถึงขนาดที่สถานที่เดิมที่เคย จัดให้ก็คือชั้นบนของหอสมุดหอจดหมายเหตุท่านพืทธทานนั้นไม่เพียงพอต้องขยายลงมาด้านล่างซึ่งกว้างขวางกว่าใช่ไหมคะใช่ใช่ก็ตอนแรกคิดว่าประมาณสักสองร้อลควก็มาจากผู้ฟังรายการวิทยุนี่ก็ครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก็เตรียมการไว้แต่ว่าเท่าที่ฟังฟังดูมีคนลงทะเบียนอะไรเงี้ยมันก็สองร้อคนแล้วก็เลยเอางั้นเราลงมาข้างล่างดีกว่า เลยมันขยับขยายได้มากขึ้นสุดท้ายวันนั้นเอประมาณเกินห้าร้อยคนอะอ <EC> เกินกว่าห้าร้อยคนนี่ถ้าสมมติว่าสถานที่ขยับขยายไม่ได้ในลําบากเลยนะคะใช่โชคดีที่สถานที่ขยับขยายได้งั้น อ, าอยากจะกราบเรียนถามท่านเพราะได้ยินว่าอผู้ฟังเนี่ยนั่งฟังอย่างสนอกสนใจและใช้เวลานานมากนานอย่างไรงกันง่ะก็สามชั่วโมงนะสามชั่วโม ง, โมงคือเอาเอาที่ว่าอาตมา พูดบรรยายจริงๆเต็มที่เลยเนี่ยก็สามชั่วโมงเต็มค่ะแต่มาไปนั่งลงตรงที่เทศแสดงธรรมเนี่ยยี่สิบนาทีก่อนก่อนเริ่มแสดงธรรมจะตรียมพวกอะไรต่างๆแล้วหลังเสร็จแล้วก็ยังนั่งต่ออีกชั่วโมงหนึ่งเพื่อที่คนนั้นก็จะมาหาเอานี่มาต่อวายมาบอกว่าตรงนี้ตัวเองมาจากที่ไหนที่ไหนอะไรยังไงถามคํถาถามกันต่ออีกค่ะเอ่อก็เอาช่วงเฉาะที่แสดงธรรมจริงๆก็เต็มสาชั่วโมงนั่งอยู่ตรงนั้นประมาณสี่ชั่วโมงอาจมา ท่านก็เมตตาให้เวลาอย่างเต็มที่ส่วนคนไปก็โชคดีนะคะได้เต็มอิ่มเต็มที่แต่คนไม่ได้ไปนี่สิคะท่านมีความรู้สึกว่าพลาดโอกาสนะจะรบกวนท่านได้เมตตาช่วยสรุปให้ฟังได้ไหมคะได้ได้ก็คือว่าในวันนั้นเนี่ยอัอนดัญดาของอาตมานี่ก็แน่นอนละเรจะมาพูดถึงเรื่องแก้สามประการหนังก็ได้อธิบายโครงสร้างของแต่ละอย่างไป เราพูดถึงเรื่องพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆนะ์นะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมีความหมายอย่างไรเราก็เอาบทที่เรียกที่เราสวดกันได้นะอิติปิโสนี่แหละนำะมาอธิบายให้ท่านผู้ที่ไปฟังธรรมะตรงนั้นเนี่ยได้ฟังกันแต่เริ่มตั้งแต่พระพุทธเจ้าอิติปิโสพรกวาอารางังสมาสมพุโทโธเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรนะอารังคืออะไรสมาสมพุโทโธคืออะไรนไะล่ไปตีละอย่างละอย่างก็คือทําความเข้าใจว่าพุโทโธ ธโมสังโฆนี้คืออะไรให้เข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งคะ่นะจุดประสงค์ที่อะไรมาทําอย่างนี้เพราะว่ามีพุทธพจน์บทหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรตัสเอาไว้บอกว่าคนที่ถ้าบิดว่ามีความกลัวในจิตใจแล้วเนี่ยนะบางทีก็ไปพึ่งภูเขาท้องฟ้าต้นไม้เป็นที่พึ่งแต่ว่าที่พึ่งอ น, นั้นไม่กเกษมแต่ถ้าเรามาพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเห็นอริยะสัจสี่ด้วยปัญญานะประเด็นคือตรงนี้ว่าเราจะเห็นอริยะ ส, ะสัจสีได้เนี่ย เราต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ถึงจะเห็นอริยสัจ ส, สีได้แตนะบุคคลที่มีความทุกข์ถูกต้องเนี่ยคุณโยมติว๋วเขาจะมีทางเรื่องอยู่สองทางนั่นะคือตัวเราเนี่ยนะเกิดมาแล้วเนี่ยมันมีทุกข์แน่ละ่ะทุกข์มากบ้างทุกข์น้อยบ้างทุกข์แฝงมาในรูปของความสุขบ้างทุกข์ของคนร่ํารวยบ้างทุกข์ของคนยากจนบ้างมีทุกคนแนะทีนี้พอมีความทุกข์ที่มาในรูปแบบต่างๆแล้วจะมีคนอยู่สองประเภทนั่นะคือประเภทหนึ่งเนี่ย ก็จะจมปลักอยู่ในความทุกนั้นนะมีอยู่แล้วตัวเองมีอยู่แต่ว่าอยากมีมากขึ้นมันไม่ได้ก็ทุกของคนที่มีอันนี้ก็จมปลักอยู่ในกองทุกของตัวเองนะคนที่ไม่มีหนาอยากจะมีเวลาไม่มีแล้วมันเป็นทุกก็ทุกของคนไม่มีอันนี้ก็จมปลักอยู่ในกองทุกอันนี้คือคนประเภทที่น <Okay. S> 1นะึะส่วนคนประเภทที่2นะเมื่อถูกความทุกข์ถูกต้องแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะแสวงหาในะที่พึ่งภายนอกว่า มีอยู่หรือไม่หนอคนที่จะรู้ทางออกของความทุกนี้สักหนึ่งหรือ2วิธีค่ะ <Okay. S 1> นันนี้่คือคนประเภทที่สองซึ่งซึ่งพุทธศาสสนิกชนเนี่ยคือคนที่นับถือคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องเป็นคนประเภทที่สองนี้แล้วถามว่าคุณจะมาสแสวงหาที่พึ่งภายนอกว่าใครเนอจะรู้ทางออกของความทุกนี้สักหนึ่งหรือ2วิธีเนี่ยเราจะมาหาตรงนี้ได้เราจึงต้องมีสารณะนะครับว่าที่พึ่งภายนอกตรงนี้คือชัดเจนเลยคือคําว่าสารณนะ อ okay. ๋อคํะอ่าคือคำว่าสารณะคือเราเล่นไปสู่ตรงนี้จิตเราจะล่นไปสู่ทางออกของความทุกข์เนี่ยได้อย่างไร <Okay. S 1> ตตรงนี้ถ้าเราไม่มีสารณนะคือที่พึ่งที่เล่นไปสู่นะว่าทางออกของความทุกข์ของเราจะเป็นได้อย่างไรเราจะไปออกจากความทุกข์ไม่ได้ <Okay. S 1> แต่เราจะออกจากความทุกข์ไม่ได้เพราะฉะนั้นที่พึ่งคือสารณะเนี่ยจึงสำคัญมากที่เราพูดว่าพุทธังสารนังกาชามิเนี่ยรอบอีกสมรอบเป็น9้ารอบเนี่ยมันหมายถึงว่าอย่างไง ฉะนจึงมาพูดตรงนี้ว่าสารณะสารณะนะเราก็ได้พูดถึงประเด็นที่ว่าสารณะคือที่พึ่งเนี่ยมันต่างกับความยึดถือความยึดถือความยึดถือนี่คืออุปาทานที่พึ่งคือสารณะนี่เป็นรางศัพท์คำเดียวกับคำว่าสติเลยใน <ะ S 1> สติเนี่ยมาจากสรารธาตุก็มาจากสรารณะเนี่ยสารนังก็มาจากสรารธาตุเหมือนกันหมายถึงว่าที่แล่นไปสู่ในะที่เราจะใช้เป็นที่เกาะได้เพราะฉะนั้นอาการที่เรายึด ก็ไม่เหมือนกันกับการที่เราไปที่พึ่งเนื่งถ้าเราดูความศัพท์นะคุณโยมติวศัพท์ศัพท์อย่างคำว่า religion เนี่ยภาษาอังกฤษนะที่ก็แปลว่าศาสนาศาสนาเนี่ยรากศัพท์เ้ามาจากภาษาลาตินเนื่งอันนี้หมายความว่าผูกเอาไว้ยึดเอาไว้ถือเอาไว้ R E L เนี่ยนะ religion เนี่ยเป็นรากศัพท์มาจากคำว่ายึดเอาไว้นี่ยยึดเอาไว้ซึ่ง มันเป็นคนละความหมายกับศาสนาในภาษาไทยศาสนาในภาษาไทยเนี่ยมาจากรากศัพท์ในภาษาบาลีนั่นก็คือศาสนาคือหมายถึงคําสอนแล้วคําสอนของพุทธเนี่ยเป็นคําสอนเพื่อไม่ให้ยึดถือเอาไว้แต่มันจึงคนละเรื่องกันแต่ว่าคําสอนของพุทธเนี่ยไม่ใช่ว่าเพื่อให้แบ่งเป็นหมกเป็นกกเป็นเหล่าไม่ใช่แต่ให้สามัคคีกันแต่ไม่ได้ว่าจะต้องเป็นอัตตาเป็นฉันเป็นเธอแต่ให้สลายความเป็นอัตตาเพื่อให้ละคลายความยึดถือ ท่นคะฉันขออนุญาตที่จะถามประเด็นตรงนี้นะคะท่านพูดว่าอคําว่าศาสนาในภาษาอังกฤษเนี่ยรากศัพท์มาจากคําว่าความยึดถูกต้องไหะ e l ใช่ REL ทีนี้ถ้าตามตามศาสนาพูธรากศัพท์หรือว่าที่มาเนี่ยมาจากศาสนาใช่ไหมคะแปลว่าคําสอนแปลว่าคําสอนดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะเรียกศาสนาพูธในภาษาอินเตอร์คือทําความเข้าใจกับคนอื่น เราก็ต้องไม่ใช้คําว่าเรลิเจียนสิคะพูดถึงอืาจจะมาจะไม่ใช้คํานี้เลยใช่ใช่อะไรดีคะท่านการ Teaching of the Buddha คำสอนของพุทธะตรงตัวเราชาวพุทธจึงควรที่จะใช้ให้ถูกต้องที่ฉันนั้นสำคัญมากนะครับประเด็นนี้ที่หยุดถามเนี่ยเพราะว่ามันจะทําให้เข้าใจตั้งแต่หัวทางเลยไม่งั้นมันหลงตั้งแต่ต้นทางสิคะใช่ใช่ Teaching of the Buddha Teaching แปลว่าคําสอนนะคะบุตตากับพระพุทธเจ้าค่ะใช่ค่ะ ซึ่งอันนี้ก็คือตรงตัวเลยธรรมะนี่แหละธรรมะธรรมะเนี่ยคือธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วนะสวากาตตาธรรมเนี่ยที่เราพูดถึงนี่ก็คือทิชชี่ของเดอะบู dha นี่นเองทิชชี่ of the อะบ dha ก็คือธรรมะนั่นเองค่ะเนี่ยพุทธธรรมก็คือธรรมะนั่นแหละค่ะงั้นนิมนต์ท่านต่อเลยค่ะทีนี้พอได้พูดถึงประเด็นว่าพุทโธคืออะไรธรรมโมคืออะไรสังโฆคืออะไรแล้วน่ยคือทักสามอย่างนี้ก็มาจากพุทธะนั่นแหละจะไม่มีพุทธะก่อน แล้วก็จึงมีธรรมะเกิดขึ้นมีธรรมะเกิดขึ้นแล้วมีผู้ที่ปฏิบัติตามได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาก็เป็นสังโค ข, ขึ้นมาแล้วเราก็ได้พูดถึงความแตกต่างระหว่างการยึดกับการที่เราเป็นที่พึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นได้ก็คือว่าถ้าเราใช้เป็นที่พึ่งเนี่ยเราจะคลายความทุกข์แต่ถ้าเรายึดเราจะทุกข์มากขึ้นอย่างเช่นว่าคนที่ยึดยึดนะยึดเลยยึดพระพุทธเจ้ายึดพระธรรมยึดครูบาอาจารย์เนี่ยพอมีคนเข้ามาด่ามาว่า หรือเอารูปพระพุทธรูปไปทําเป็นเก้าอี้แต่ไปอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสมเราจะจีด๊ดเราจะรู้สึกเป็นทุกข์มากนะแต่ถ้าบอกว่าเราใช้เป็นที่พึ่งนะแต่เราก็แก้ไขไปตามสถานการณ์ใช่ไหมแตนะ่เราจะไม่ได้รู้สึกเป็นทุกข์แบบที่จีด๊ดเป็นร้อนเป็นเดือดเป็นแคลนขึ้นมาจะไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้มันจะแตกต่างกาันระหว่างการยืดนะที่หมายถึงอุปาทานกับการใช้เป็นที่พึ่งที่หมายถึงสรณนะประเด็นคือตรงนี้ว่าถ้าบอกว่าที่พึ่งคือสระณะของเราเศร้าหมองแล้วเนี่ย เราจะไปทางออกของความทุกข์ไม่ได้คเอาไว้นะศาสนาของเราจะเศร้าหมองได้จากอะไรเหนะือสมมุติว่าเราลบหลู่กุญปภูตเจ้าลบหลู่กุพระธรรมลบหลู่กุพระสง์เหนะือเช่นว่าเราติเตียนพระสงฆ์อย่างเงี้ยติเตียนพระสงฆ์ในเรื่องที่มันไม่เป็นจริงอย่างสมมุติเขามีข่าวคราวอะไรกันอยู่ในสังคมเนี่ยเราคุณก็ไปดา่าในะเวลาด่าพระนี่ก็ไม่ได้ด่ารูปเดียวด่าหมดเหมาหมดพระมันก็เป็นอย่างงี้มันก็ศัสนาของเราก็จะเศร้าหมองคเหนือพอศาสนาของเราเศร้าหมองแล้ว มันก็จะทําให้เรามีที่พึ่งไปไม่ถูกเราไปไม่เป็นไปไม่ถูกไปไม่เป็นมันก็จมอยู่ในกองทุกข์ทำให้หลายๆคนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยไปต่อไม่ได้คือตัวเองเนี่ยอไปติพระติตรงนั้นติตรงนี้แ่ะติขนาดว่าพระพระทุทธรูปเนี่ยตั้งยื้อเฉยแล้วก็ยังไปติว่าสวยบ้างไม่สวยบ้างอย่างเงี้ยติตรงนั้นติตรงนี้มันก็ทําให้เศร้าหมอเศ้าหมองรับปฏิบัติธรรมไม่ได้เลยถ้าอาจารย์ขอประทานโทษนะครับตรงนี้อีกจุดหนึ่งเพราะดิฉันกาลังพยายามคิดแทนคนอื่นด้วย แล้วก็ตัวเองก็เคยสงสัยด้วยนะคะท่บานว่าทำไมล่ ะ, ะในเมื่อสมมติว่าอะไรดีแล้วก็พูดไปตามน้าตามเนื้ อ, อผ้า น, นะคะ อ, อ, อะไรที่เราเห็นแบบคนอื่นเขาเห็นน่ะก็อย่างเงี้ยสูตรเนี้ยออกมาเนี่ยต้องมีทีแน่นอนอ่แล้ววิธีที่ได้แสดงความคิดเห็นออกไปก็เป็นการที่คนไทยเขาชอบพูดเกินวาติเพื่อกออนะหรือช่วยทำให้รักษาพระพุทธศาสนาอย่างเงี้ยคะ่ะอืมอืม Uh, นนเป็นป uh, ระเด็นที่เราได้เคยพูดกันไปอยู่แต <okay. S 2> นะ่ว่าถ้าบอกว่ า, เ, าเราจะติเพื่อกอ่อเนี่ยก็คือสัมผัสที่พระพุทธเจ้าใช้ใช้คำว่าชี้โทษนตะ่ <okay. S 2> จะแตกต่างกับการการเพ่งโทษนตะ่ซึ่งการเพ่งโทษเนี่ยเป็นลนักษณะของคนพาล น, นะว่าทําอะไรถูกไม่ถูกไม่สนใจละ่ะอะไรถูกไม่ถูกแต่ขอด่าไปก่อนนะ <okay. S 2> ขาร่วมมงไปก่อนอันนี้คือเพ่งโทษนะ <Okay. S 2> แต่ถะคนชี้โทษเนี่ยติเพื่อกอ่อเนี่ยก็จะพูดสิ่งที่ถูกต้องอันนี้สามารถ <Okay. S 2> ทําได้อยู่แล้วไม่มีปัญหานะเราก็พูดสิ่งที่ถูก เราก็พูดสิ่งที่ถูกแต่ว่าไม่ได้ด่าการด่ากันว่าเป็นมิจฉาวาจาอันนี้มันผิดอยู่แล้วผิดแน่นอนแต่ถ้าบอกว่าเราพูดสิ่งที่ถูกเป็นทําเป็นวินัยอันนี้พูดได้ค่ะก็ทีนี้อีกอันหนึ่งนะคะเหมือนกับว่าหากกล่าวในลักษณะนี้เนี่ยที่เคยไปตำหนิตเตียนพระสงค์จะทำให้การปฏิบัติธรรมนั้นไม่เกิดผลถ้าหากว่าในลักษณะของการชี้โทษ จึงไม่ได้เป็นปัญหาอย่างนั้นใช่ไหมคะถ้าบอกว่ามันมันก็จะมีประเด็นด้วยที่ว่าพระนั้นบนางคนอาจจะคิดว่าผิดจริงหรือไม่ผิดจริงก็ไม่รู้แต่ถ้าบอกว่าเราพูดไม่ดีนะอันนี้คือความเศร้าหมองเกิดขึ้นในใจของเราทีนี้เราต้องพูดดีใช่ไหมทีนี้พอพูดดีถ้าบอกว่าท่านไม่ได้ผิดจริงาการพูดนี้มันก็อาจจะมีผลไม่ดีนะเพราะว่าท่านไม่ได้ผิดจริงเราเราอาจจะไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะไปทําอะไรได้อแต่ว่า ถ้าเราอยู่ในสถานะที <lookin k> ่ทําอะไรได้เราก็ทําทําสิ่งที่ถูกเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะดนะ่าว่าหรือว่าทําสิ่งไม่ดีเราก็สร้างสิ่งดีๆขึ้นมาแต่ <wash> ะประเด็นก็คือว่าเราไม่ได้แบบชั่วช่างชีดีช่างสงอันนี้ไม่ใช่อันนี้อธรมาก็ไม่เห็นด้วยแล้ว <stretched S 1> แต่ไม่ใช่เราไม่ได้ทําอย่างนั้นแต่สิ่งที่เราทําก็คือจะทําจะเอาความชั่วออกไปจากระบบเนี่ยเราจะต้องเอาความดีเนี่ยเข้าไปล้างเราจะเอาความชั่วล้างความชั่วไม่ได้คเหมือนกับเอาน้ําเสียล้างสิ่งที่มันส ก, กปรกเนี่ยมันจะไม่ได้ ใน <คะ S 1> ตอนที่น้ำท่วมช่วงที่น้ำท่วมที่ผ่านมาเมื่อปีห้าสองห้าสามใ่ไหม <คะ S 1> นะบ้านเรือนสกุปโปรกเนี่คุณจะเอาน้ําดําๆมาล้างมันไม่ใช่ต้องเอาน้ำสะอาดมาล้างคะนะ่ะเช่นเดียวกันในศาสนาในคําสอนถ้ามีคนปฏิบัติไม่ดีแเราจะเอาความชั่วเข้ามาเปิดเผยมันไม่ใช่อะ่<ค>ะอืมันก็จะต้องเห็นแล้วก็รีบเขี่ยทิ้งไปรีบ <คะ S 1> ชําระทําความสะอาดโดยการทําความดีให้มากขึ้นค่ะในประเด็นที่กําลัง กลับเรียนถามท่านหรือว่าเสริท่านเนี่ยดิฉันกําลังพูดในส่วนของตัวเองผู้ที่อาจจะอยู่ในจุดที่ เ, เคยไปพลาดพลั้งอะไรอย่างนั้นที่ท่านกล่าวว่าว่าพระแล้วทําให้การปฏิบัติไม่งอกงามเนี่ยดิฉันคิดเป็นเหตุเป็นผลนะคะ <c oughs> ว่าในลักษณะสมมุติดิฉันเคยเห็นนะคะคนที่บอกว่าอุ้ยก็เห็นไม่ละพระเป็นแบบนี้ <c oughs> ฉันเนี่ย <c oughs> เลิกแล้วไม่ทําบุญกับพระอ <c oughs> อื่าใช้ทําบุญกับโยมแทนอะไรอย่างนี้ค่ะในคำว่ า, วาเหตุผลของดิฉันเองนะแต่อยากกลับเรียนถามท่านว่าสมบูรณ์ไหม คือก็เท่ากับว่าคนนั้นเนี่ยกําลังเหมือนกับขาดศรัทธาละศรัทธามั น, มนไม่มีละจึงทําให้ไม่เข้าไปหาในสิ่งที่ถ้ามีศรัทธาแล้วจะได้ผลคือธรรมะถูกไหมคะถูกต้องถูกต้องเขาก็คิดว่าก็คือเหมารวมเลยละ่ะโดยไม่ทราบว่าพระอื่นที่ดีก็มีเหมือนกันค่ ะ, น, คะนั้นอันนีเน้เป็นโทษของความเลื่อมใสอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเคยบอกเอาไว้ค่ะ นิมนต์ท่านต่อเลยค่ะเราได้พูดถึงประเด็ น, นว่าภพโทธโมสังโฆคืออะไรแล้วก็ได้อธิบายถึงเรื่องของความแตกต่างระหว่างการยืดกับการใช้เป็นที่พึ่งนะพอเราใช้เป็นที่พึ่งให้ถูกเราเราจะไปไดนะ้ซึ่งก็ได้พูดถึงจุดที่ว่าความสุขความทุกข์ในชีวิตเราเนี่ยมันมีแน่นอนถ้นะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยสุขก็มีทุกข์ก็มีแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าถ้ามีความสุขแล้วเราก็ทำสิ่งที่ควรทาละสิ่งที่ควรละถ้ามีความทุกข์แล้วเราก็ทำสิ่งที่ควรทาละสิ่งที่คละ ซึ่งสิ่งที่ควรละก็คือเรื่องอกุศลทั้งหลายสิ่งที่ควรทําก็คือเรื่องกุศลทั้งหลายคือถ้าเรามีความสุขสิ่งที่ควรละก็คือความกําหนัดรุ่มหลงเพลิดเพลินในความสุขนั้นสิ่งที่ควรทําก็คือปฏิบัติตามมรรคแปดแต่ถ้ามีความทุกข์สิ่งที่ควรละก็คือความที่เราจะไปเศร้าโศกเสียใจในความทุกข์นั้นแต่สิ่งที่ควรทําถ้าเราเจอความทุกข์ก็คือปฏิบัติตามมรรคแปดปฏิบัติตามนี้ชื่อว่าเราเล่นไปสู่ไปตามทางแล้ว นะพอเราปฏิบติตามนี้สีเรามาทันที ต, ตรงนี้มันจึงครอบองค์สประการนะคุณโยมติ๋วครบองค์สีประการตรงนี้เป็นจุดที่สําคัญมากเลยเรียกว่าโสตตาปฏิยังค์สนะีคือคนที่อยู่ในที่นั้นเนี่ยก็ได้ฟังเรื่องพุท ธ, ธะมีศรัทธาตั้งมั่นในความเป็นพระพุธทธเจ้ามที่เลยว่าโอ้โหไอ้ที่เราสูอีทีพิโสวควาอรารังสมาสัมพุโทโธเนี่ยมีความหมายลึกซึ้งมากธรรมารใช้เวลาชั่วโมงกว่าในการอธิบายแค่พุโทโธคําเดียวอย่างนี้นะเอาทัมโม มีอะไรบ้างสวัสติวครับตัวพรรมวัตถมอดียังไงตรวจสอบได้ยังไงอีกชั่วโมงหนึ่งอเคแต่ <Okay. S 1> เวลาอธิบายเรื่องสังโคเนี่ยโอโ้โหเรือ น, นิดเดียวหนันกะ็ <c oughs> ต้องรีบรูบจบละแต่ว่าก็พอจะอยู่ในเนื้อหาตรงนี้นน <c oughs> สองชั่วโมงกว่าอธิบายเรื่องผู้โตธรโมสังโคค่ <c oughs> นะแต่ทีนี้ในวันนี้นะคะ ก็เหลืออยู่ไม่ถึงชั่วโมงด้วยซ้ำเหลืออยู่10กว่านาทีนะคะท่านจะไปต่อถึงขนาดไหนคือถ้าไม่พอไม่เป็นไรนะคะพรุ่งนี้ก็ยังมีค่ะเออเออก็จะให้ข้อมูลยังให้ข้อมูลในที่นี้นะค่ะท่านคะดิฉันขออีกคำหนึ่งโซตาปฏิยังค่ีที่ท่านบอกว่าครบองค์สเป็นโสตาปติยังค่ะสี่บางคนเลยบอกว่าเขาโอ้อกงงแล้วนะมีโสตาปติยังค่ะด้วยยิ่งงงเข้าไปใหญ่ค่ะก็จะอธิบายคําศัพท์ตรงนี้ด้วยนะว่าถ้าเรามีความเข้าใจมีความมั่นใจ มีความลงใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอันนี้คือข้อที่1เรามีความมั่นใจความลงใจความเชื่อใจในธรรมะที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้นี่คือข้อที่2และเรามีความมั่นใจความลงใจความเชื่อใจในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของหมู่ที่ฟังคําสอนของพุทธะอันนี้คือข้อที่สามแล้วก็เรามีการปฏิบัติในเรื่องของศีละศีลห้าแล้นี่แหละอย่างดีแลนะ4ข้ อ, อนี้เป็น ข้อที่จะพาเรานําไปสู่นิพพานได้ oh, <okay. S 1> พาไปสู่นิพพานเนี่ยเป็นผู้ที่เข้าถึงกระแสนะการเข้าถึงกระแสกระแสนี่คือโสตานั่นเองโสดาณั่นเองเหาโสดาแปลว่ากระแสเหล่าโสตาปฏิยังคสสก็คือธรรมะสี่อย่างที่จะพาเราไปสู่นิพพานได้เ <Okay. S 1> ข้าถึงกระแสของผู้ที่จะไปสู่กระแสคือ น, นิพพานค่ะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นถ้าเรามีสี่อย่างนี้นะคุณเป็นผู้ที่ เข้าสู่กระแสแล้วเนะี่ยเข้าสู่กระแสค่ะเข้าสู่กระแสไปไหนไปทะเลเนะี่ยกระแสน้ําเนี่ยกลางทกลางแม่น้ําเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้คุณเกาะกระแส น, นี้ให้ได้ไปเรื่อยๆคุณไปออกทะเลแน่นอนทะเลก็เปรตเหมือนนิพานค่ะเพราะอันนี้สําคัญมากเลยสําคัญมากเลยค่ะนะและเดี๋ยวฉันคิดว่าพูดซ้ําให้ฟังอีกครั้งนะคะคํานี้ที่ยิ่งใหญ่โสตาปะเตียงคสีใช่ท่องไว้นะคะ โซดาปฏยัติยังค่าสีทําไมถึงจะให้ท่องเพราะพอฟังคําแปลจากท่านอาจารย์เนี่ยนะคะทําให้เกิดความชัดเจนเข้าใจง่ายจําง่ายแล้วรู้ว่าเรากําลังโชคดีละอืวหลุดไปนในกระแสแล้วถ้าทำได้ใช่เัราเปรียบเหมือนอย่างนี้พระบรุเปรียบไว้เดี๋ยวมันก็ว่าสมมติเราอยู่ริมฝั่งแม่น้ําข้างนี้อะนะค่ะแล้วมีแม่น้ําอย่างเช่นแม่น้ําเจ้าพระยายอย่างนี้เป็นต้นแล้วเรากําลังออกจากฝั่งนี้เนี๋ยวกำลัง ใช้เรือรหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยจากฝั่งเนี่ยเข้าไปสู่กลางแม่น้ำแต่<ฆ>เข้าไปสู่กระแสกลางแม่น้ําตรง น, นี้มันจะไหลไปเรื่อยๆจนไปออกทะเลใช่ไหมไอ้กระแสกลางแม่น้ำตรงนี้คือโสตาก็เรียกกระแสที <S <S 2> <S 2> น, นี้จากฝั่งเข้าไปตรงกระแสกลางแม่น้ํำจากฝั่งนี้นะเข้าไปตรงกลางกระแสตรง น, นี้อันนี้เป็นทางที่ไปสู่กระแสแล้วก็เรียกว่าโสตาปฏิมักแต่บุคคลที่มีโสตาปฏิย่างคะัีเนี่ยคือสี่อย่างเนี่ยนะ มีความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และวกะ็ศีลเนี่ยคือคุณอยู่ในกระแสะนี้แล้วคุณอยู่ในกระแสะที่ออกจากฟังกําลังเข้าไปสู่กระแสะกลางแม่น้ําและคุณเกาะกระแสะกลางแม่น้ำไปเรื่อยๆรื่นคือโสตาปฏิผลโสดาปฏิผลนะเป็นผลผลของการที่ไปตามกระแสะน้นํานู่นออกออกทะเลนูน่นก็คือนิพพานเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจในสข้อนี้อย่างลึกซึ้งเรามาก็ใช้เวลาพอสมควรละในการทาความเข้าใจในสีข้อนี้ เนี่ยเราก็ให้เขามั่นคงมั่นใจอยู่ในพระพุทธพระธรรมพระสงค์แล้วก็มีการขอเขามาพระรัตนตรยัยเนี่ยมีการสมาทานไตรสรันตคมนั่นคือสมาทานเอาบางทีคือคนเราบางทีมันก็ตามข่าวอนะเข้าใจไหะตามข่าวแล้วมันก็คิดบ้างอะไรบ้างพูดบ้างอะไรเงี้ยมันอาจจะมีความปรเพยดความเสีผิดดิ้นรนในทางจิตเนี่ ก, ก็เลยให้เขาขอเขามาพระตัตนตรยัยอ๋อแปลว่าที่เพลียงพล้ําไปแล้วไม่เป็นไร อย่าก็กอบกู้สถานะได้คืนความปริชาใช้คำว่าให้เห็นโทษโดยความเป็นโทษค่ะแต่บุคคลที่เห็นโทษโดยความเป็นโทษก็คือว่าโอ้โหนี้มันไม่ดีหน้าเราทําไม่ดีม า, ารู้ว่าอันนี้เป็นความพยชน์ความเสพผิดดินรนอันนี้เป็นสิ่งที่มันเป็นความชั่วความบาปอ้าวเราละเสียเห็นโทษมาแล้วเห็นโทษมาแล้วทํายัางไงอ่ะก็กระทําคืนตามธรรมการกระทําคืนตามตามในที่นี้ก็คือพูดทางสาราาานังคาฉามีนะขอใหม่สมมาทานใหม่ตั้งอยู่ในสารนคมใหม่อันนี้ ค, คือกระทําคืนตามธรรม ท่านค ะ, ะฟังดูเหมือนกับว่าง่า ย, ายพื้นๆจังเลยนะคะคือพอเข้าใจแล้วพอเข้าใจปุ๊บนี่กลัวเลยนะคะว่าอ๋อสี่อย่างเนี้ยการที่เราลงใจใช่ไหมคะในลงใจใทำเชื่อใจมั่นใจค่ะสีนเนี่ยจะทำให้ โ, โหมันมีความสุขมากนะเนี้ยเรามีโอกาสเดินไปถึงนิพพานละแต่ว่าทำยังไงดีล่ะ ความผิดเก่าๆที่ทํามาเนี่ยมัดมันี่ยิ่งช่วงนี้กระแสกําลังแรงเลย ม, มีเรื่องพระพระพระพระพระทำโน่นพระทํานี่กระแสไปไม่ยั้งเลยทุกเรื่องที่เกิดมาตายละว่าแต่ตอนนี้ท่านบอกว่าง่ายๆเลยเรากลับมาเข้ากระแสใหม่นะคะอ่าเห็นโทษตามโดยความเป็นโทษโดยความเป็นโทษใช่แล้วทําคืนตามทำคือสํานึกตนได้ว่ามีความผิดยังไงยังไงบ้างนะคะเห็นโทษเนี่ย หมายความว่าเฮ้ยที่เราประมาทพลาดพลั้งไป ท, <ะ S 1> ที่เราประมาทมัวเมาไปเเราก็ตั้งเราก็เห็นโทษของมันก่อนแต่ว่าเฮ้ยมันจะทําให้เราไปนรกนะเนี่ย <ทะ S 1> คือคืออาตมาก็ได้พูดถึงว่ากว่าจะเกิดมาเป็นคนได้อะมันไม่ใช่ง่ายแต่ว่ามันเหมือนกับที่เราเคยฟังกันน ะ, นะมีเต่าตัวหนึ่งตาบอดอยู่ในน้ํานัโลกของเรามีสี่ส่วนเป็นน้ำสามส่วนเป็นดินหนึ่งส่วนเนี่ยให้น้ําท่วมหมดเลยเนี่ยะร้อยปีจะมีเต่านี้ก็จะโผล่ขึ้นมาหายใจครั้งหนึ่ง โอกาสที่เต่าตัวนี้โผล่ขึ้นมาหายใจแล้วจะเอาหัวสุขเข้าไปในแอกในที่มีอยู่รูอยู่รูเดียวพอดีพอดีเนี่ยมันยากมากเเช่นเดียวกันการที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์การที่จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นการที่จะมีคําสอนตั้งอยู่ได้นานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากแต่เมื่อเราได้แล้วเนี่ยโหเราอย่าประมาทอ น, นี้จะเป็นโทษอย่างมากนะคะก็เท่ากับว่าอันนี้พระพุทธองค์ ตรัสไปเองนะอุปมาเนี้ยไม่ใช่ ใ, ชใครพูดไว้มาผูกนิทานไว้นั่นแสดงว่าอุปมาเนี้ยต้องชัดเจนที่สุดละใช่ทูกไมคะว่ามันยากจริงๆรดิฉันเองเนี่ยพูดจริงจนะคะท่านเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ทําไมฟังอุปมาเรื่องนี้แล้วกลัวก <c oughs> ลัวกัวว่าจะไม่มีโอกาสแบบเต่าตัวนั้นโอมันมันมันโอกาสน้อยมากจริงจริงนะคือตอนนี้เป็นเราช่วงโปรโมชั่นนะนะคุณโยมติ๋ต่โปรโมชั่นมาสองพันกว่าปีแล้วนะ ไม่รู้โปรโมชันนี้จะหมดเมื่อไหร่เน่ยแต่ว่ามันหมดแน่รู้ที่เราจะรอดออกไปได้เนี่ยมันก็ค่อยเล็กลงเล็กลงน ะ, ะแต่ความบิดเบือนในคําสอนก็มีมากขึ้นคนที่สร้งางอกุศลธรรมก็มีมากขึ้นข่าวสารก็ไปทางอื่นรู้มันค่อยเล็กลงเล็กลงเราจะรอดออกไปได้ไหมค่ะนี่เราต้องพยายามอย่างมากทีเดียวคือความที่วันเนี้อย่างที่ท่านพูดว่าสถานการณ์รอบตัวเราเนี่ยมันดู าจะใช้คําว่าไงดีครัมันน่าสิ้นหวังเข้าไปทุกทีเหมือนอย่างสมมุติว่าดิฉันเห็นนะคะอันนี้ก็ส่งทางไลน์ชอบยกตัวอย่างในไลน์มาคุยกับท่านเสมออย่างกรณีที่เขามีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์พระสงฆ์อย่างแรงๆเ น, นนะคะทีนี้เขาก็ไปยกคําของครูบาอาจารย์ที่มรณภาพไปแล้วแต่ว่าเหมือนกับเป็นพระสงฆ์ที่มีความสามารถมีฌานสูงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกศิษย์ลูกหาก็บอกว่าเนี่ยท่านทํานายไว้ ในอนาคตซึ่งคิดว่าเป็นวันนี้ละที่ว่าคนพระสงฆ์เนี่ยจะมีปัญหานะคะในแวดวงสงฆ์เนี่ยแล้วก็เลยจะทำให้ธรรมชาติมันแปรปรวนอย่างแรงคนไทยก็จะเดือดร้อนจากน้ำท่วมใหญ่อะไรก็แล้วแต่นะคะมันไายนนแล้วนะคะคนก็จะสงกัานแต่เรากลับมาเอาคำสอนพูดเธอเจ้าเพียวเพียวก็แล้วกันอันนั้นก็ยกเอาไว้ก็มมนถึงประเด็นที่ว่าเวลาที่เราเห็นโทษด้วยความเป็นโทษ แ, <ช>แล้วเราจะทาคืนตามธรรมเนี่ย เราก็ต้องเห็นคุณของพระพุทธพระธรมประสงค์ค่ะแต่ซึ่งคุณของพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยอย่างที่เราพูดถึงพุทโธพุทโธอย่างเงี้ยแต่ซึ่งความเป็นพุทโธเนี่ยมันละเอียดมากนะมันไม่ใช่จิตนะมันไม่ใช่ความรู้สึกแต่มันเป็นพุทโธนีค่คือการที่เรารู้แักแต่ว่ารู้อันี้คือคำหมายของคำว่าพุทโธแต่ในคาว่าภะควายอย่างเงี้ยพระผู้มีพระภาคอย<ร>นะ่างเงี้ยมันเป็นคําที่มีความหมายลึกซึ้งมากนะคุณโยมติวแบบสามารถที่จะแยกแยะแจกแจงธรรมะได้ พระพุทธเจ้า mm hmm. เ, คเคยยกตัวอย่างไว้พระองค์เนี่ยเป็นพระผู้มีพระภาคและเป็นผู้ <Okay. S 1> สามารถแยกแยะแจกธรรมนะสมมุตมิว่าในนี้สมมุตินะ <Okay. S 1> มีสาวก4ี่รูปหรือมีพระ4ี่รูปในธรรมะไว้ในนีนะ้รูปหนึ่งถามคําถา ม, ถามเรื่องสติปัฏฐาน4อาจจะถามเรื่องกายานุปัสสนาสปัฏฐานก็ได้แตนะพระพุทธเจ้าก็ตอบให้นะตลัามเสร็จแล้วภิกษุรูปแรกนี้ก็ไปจำเอาไว้ที่พระพุทธเจ้าตอบพระรูปที่2องถามเรื่องเวทนานุปัสสนาสปัฏฐานสมมตินะถามเรื่องสติปัฏฐาน4 พระพุทธเจ้าตอบให้ก็ไปทรงจํำอาไว้ในรูปที่3ามถามต่ออีกไม่ต้องพักนะไม่ต้องพักถามเรื่องจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานพระพุทธเจ้าตอบให้เขาก็ไปทรงจํำมาไว้ใ น, นรูปที่4ถามเรื่องธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานพระพุทธเจ้า ก, ก็ตอบให้อีกแล้วก็เอาไปทรงจํำมาไว้กลับมารูปที่1นึ่ทรงจําได้แล้วใช่ไหมาาถามต่ออีกพระพุทธเจ้าก็ตอบให้อีกถามเรื่องเดิมนี่แหละกายานุปัสสนาสติปัฏฐานอีกแง่มุมหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ตอบให้เป็นไปอย่างนี้ไม่ต้องพัก ไม่ต้องกินนะ่ะไม่ต้องไปห้องน้ําไม่ต้องนอนนะ่ะไม่ต้องทําอะไรเลยเอาถามกันตอบกันทรงจําไว้ถามกันตอบกันทรงจําไว้วนไปวนมาเนี่ยเป็นอยู่อย่างนี้ร้อยปีนะคุณยมติยวน่ะคำตอบของพระพุทธเจ้าเนี่ยยังไม่หมดเลยนั่นะนี่เป็นผู้ที่สามารถจําแนกแจกธรรมได้มากมายหลายประการขนาดนี้เอาเป็นว่าเรามาบันทึกรายการครึ่งชั่วโมงแต่บางทีก็รู้จัหาประเด็นอะไรมาพูดนะเอาแค่ครึ่งชั่วโมงนี้บางทียังหมดมุกนะแต่พระพุทธเจ้านี่ยแหมเป็น พูดที่จำแนกแจกธรรมนี่คือพักขวานะคำว่าพัขวานเพาค่ะนั้นใช่พักขวานี่แปลว่าพระผู้มีพระภา ค, คแล้วซึ่งคำแค่ว่าพักขวาเนี่ยอืฟังแล้วมันซึง้งว่าสามารถแยกแ ย, กแยกะแจกเอาแค่ลมหายใจของเราเอาพระพุทธเจ้าแยกให้ได้ว่ามีสติปัฏฐานสี่นะมีสติปัฏฐานสีอยู่เนี่ยแยกต่อไปอีกมีโพชฌงเศษอยู่ในนี้นะโพะชฌงเศษแยกไปอีกนะมีวิชาวิมุตติอยู่ในลมหายใจเรานะโอ้โ oh หถ้าไม่มีตาที่คงไม่เห็นนะ เนี่ยดิฉันเสริมเลยใครที่ฟังแล้วก็นึกไม่ออกเพราะว่าไม่เคยทราบมาก่อนว่าความสามารถในการแยกแยะแจกธรรมของพระพุทธองค์เป็นอย่างไรท่านเข้ามาศึกษาแล้วท่านจะได้รู้ว่าท่านเรียนอะไรมาก็ไม่รู้แต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยอยู่กับตัวท่านเนี่ยพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะครที่แยกแยะได้ใช่แจกให้ดูน ะ, ค, ะคำว่าพักขวานี่คือคําว่าพักขวา สามารถที่จะแยกแยะแจกทำและวอย่างสัมมาสัมพุทโธนี่ก็ลึกซึ้งมากแต่คุณไดเป็นสัมมาสัมพุทธาจะมาเป็นสัมมาสัมพุทธาได้นี่ไม่ใช่ใชั่วเวลาแป๊บเดียวแต่ใช้เวลานานกว่าที่จะสั่งสมบําเพ็ญบารมีมาเป็นสัมมาสัมพุทธาได้แล้วก็ใช้เวลานานมากเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดมีพระพุทธเจ้าขึ้นสักอ ง, องค์หนึ่งในโลกเนี่ยถ้าม า, ม า, มาพิจารณาเรื่องนี้บางทีก็รู้สึกเสียใจคุณโยมติว่าแม่เรามันมันโอกาสน้อยคือไม่ได้เกิดมาทันพระพุทธเจ้าได้เห็นว่าพระองค์เป็น <C> e <at> เสียใจอยู่ตอนนี้นะ <C> e <at> นแล้วก็ไม่ได้เห็นว่าเราอริยะสาวกในสมัยพุทธกาลมีท่านพระสารีบุตรมีท่านพระอัญญาโกฏัญญาเนี่ยท่านเป็นยังไงโอ้ท่านมีความสามารถมากขนาดไหนเรารู้สึกเสียดายอยู่แต่แต่ในความรู้สึกว่าเราโชคร้ายที่ไม่ได้มีโอกาสในการเห็นตรง น, นั้นเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าเราโชคดีเน่ที่ยังมีคําสอนที่ยังคงอยู่ไว้เนี่ยคําส <C> e <at> อนนี้ยังอยู่ นั่นคือธรรมะนั่นเองยังอยู่ของดีๆขนาดนี้เนี่ยเรารับมาเนี่ยเราจะไม่แบบวางเละเทะเลี่ยราดเลยเราจะรับมาอย่างดีเป็นธรรมทายาิรับใส่หัวไว้เต็มที่เลยค่ะอันนี้คือธรรมโมนะอันนี้คือธรรมโ ม, มะนะคะเสียใจที่ไม่ได้มีโอกาสมีประสบการณ์ตรงที่ได้พบใช่ไหมคะใช่แต่โชคดีที่ยังมีคาสอนที่ทำให้เหมือนกับได้พบ ถูกต้องแต่อาจารก็ยังทิ้งคําสอนไว้อย่างเรื่องราวที่อ่านทําความเข้าใจเนี่ยโอ้โหสมัยนั้นก็เป็นกันอย่างนี้ทุกที่ที่พระภิกษุเนี่ยไปพัก ไ, ไปอศาศัยอยู่เนี่จะเตรียมที่นั่งเอาไว้เผื่อว่าพระพุทธเจ้าสัตวเดชมาอย่างเงี้ยโอ้ทุกที่เขามีความสามีที่พร้อมเปรียงกันอย่างนี้เตรียมน้ําล้างเท้าไว้เผื่อพระพุทธเจ้าสัตวเดชมาอย่างเงี้ยแต่บางทีก็มีเรื่องราวพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่นั่นที่นี่ ทุกที่เขาก็มีน้ําล้างเท้าไว้มีที่นั่งเอาไว้นะ <c oughs> เราก็งงว่าไอ้ทาไมเป็นยางนั้นด้วยความเคารพอย่างสูงใช่ใชท่านครับพอดีเวลาใกล้จะหมดดิฉันจะขอขโมดเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยอ่าอย่างน้อยก็ได้ประเด็นที่ชัดเจนในสิ่งที่ท่านกําลังพูดอยู่คือใครที่เคยกล่าวโทษพระอริยเจ้าหรือพระสงฆ์ธรรมดาไว้เนี่ยนะคะแล้วก็มีทางออกก็คืออ่าเห็นโทษด้วยความเป็นโทษแล้วก็ทําคืนตามธรรมโดยมีพุทธทางทำมังสังคงัสาางสารนังขจามิกันให ม, อม่อม แค่สวดนั้นหรือต้องมากกว่านั้นก็คือเหมือนกับที่ฉันเนี่ยพนมมือแล้วเลยเอาเลยท่านพิบูลพูดง่ายจะตายไปตามไปพูดทางสระนังคาฉามิธรรมะอย่างไรครับ อ, อันนี้ก็คื อ, คอด้ว ย, ด, วยด้วยวาจาเรากระทําด้วยวาจาแล้วเราก็กระทําด้วยใจด้วยนั่นคือความเข้าใจของเราทิฐิมีให้ถูกต้องเห็นะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าถึงคุณของพระตามคุณของพระสงฆ์เกิดถ้าเราเห็นเราระลึกเอาแค่พระาว่าเอาแค่สมาสมาสมภูโทเนี่ย หรือเอาแค่สมาสขาโตพระวตาธรรมโมเนี่ยเราระลึกถึงคุณเหล่านี้แล้วจิตเรามันจะน้อมไปทางอากุศลไม่ไายเลยเดี๋ยวทำให้เราจะไม่ประมาทเลยแล้เราสมาทานปากพูดนําพูดทางสันนังขาชามิทุติยมปิตติยมปีก็ตามเนี่ยเราก็ให้ตั้งจิตไว้อย่างนั้นด้วยนี้ก็ดีแล้วก็สมาทานศีลก็แปลให้ทําความเข้าใจว่าปานาทิปาตาหมายความว่าอะไร น, นระครับปฏิสตานท่านบุฟังก็ทําไปได้ด้วยเลยนล้วก็คือตั้งจิตไว้อย่างนี้ก็คือว่าเรา มีจิตที่เข้าสู่กระแสแล้วนั่นเองค่ะถ้าสมมุติว่าเราจะส่งท้ายด้วยการเป็นบทสมาทานเป็นบาลีได้ไหมคะได้พระบุรุษเจ้าบอกว่าอย่างนี้นบอกว่าพูดทางสะระนังกชามิทำ ม, มังสะระนังกชามิแล้วก็สังฆังสะระนังกชามิเขาจะพูดกันอย่างนี้ในสมัยพุทธกาลนะค่ะแล้วก็รอบที่สองแล้วก็พูติยัมปิพูดทางสะระนังกชามิทุติยัมปิทำ ม, มังสะระนังกชามิ ทุติยมปีสังขังสนนังกระจามิค่ะแล้วก็รอบที่สามด้วยนันตติยมปีไปอย่างนั้นอือค่ะคุ้นๆนะคะเราไปงานบุญที่ไหนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องนำแบบนี้ใชแปลว่าในทุกครั้งเนี่ยพระสงฆ์ได้ช่วยเราแล้วหรือว่าพิธีกรรมนั้นได้ช่วยเราแล้วให้เราเนี่ยได้ขอขมาอันนี้คือให้สมาทานอยู่ในอ่าอยู่ในสรณะอ่าในโสตตาประเดียงกสีนั่นเองให้เข้าใจความหมายลึกซึ้งแบบนี้ นะคะคือย้ำว่าเราพึ่งที่ถูกต้องแหละใช่ต้องมีที่พึ่งอันกเกษมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนาตราัยนั่นเองกอ็ถือว่าพอได้แล้วนะคะครบถ้วนไหมคะที่จะได้รับในส่วนที่ท่านได้มาแสดงธรรมไปเมื่อวันที่เจ็ดนะคะผู้ที่พลาดก็ได้รู้ประเด็นตามนี้ค่ะกราบนมัส ก, การขอพระคุณท่านพระมหาพบยบุญอภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีเป็นอย่างยิ่งนะคะนส้ส ก, การค่ะเจริญพา น, นท่านฝั่งที่ครรบค่ะ นี่แหละนะคะก็น้อยย่อๆเราได้ทราบแล้วก็เราได้รู้ว่าสิ่งที่ท่านพิบู์ได้นำเอามาแสดงธรรมกับผู้ที่มีโอกาสไปที่หอจดหมายเหตุท่านเพื่อธาตเมื่อวันที่เจ็มีนาคมที่ผ่านมานั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากของชาวพุทธนะคะคือให้ทำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าประธรรมของพระองค์แล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติตาม คำสอนของพระองค์หมู่หมู่ที่ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าทันใช้คำนี้กะก็ได้ประโยชน์เราก็จะเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามเข้าสู่กระแสนะคะโสตาปติยังฆะสี่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ถูกต้องแล้วก็มีศีห้าจะได้ทําให้เมื่อเราปฏิบัติตามไปเรื่อยๆโอกาสที่จะใกล้ถึง นิพพานหรือหมดทุกสิ้นเชิงนั้นก็มีมากยิ่งขึ้นระหว่างนั้นเราก็ได้รับความสุขความสงบตามควรแก่เหตุที่เราได้สร้างกันรายการสันสนาส น, นานะคะพรุ่งนี้เราจะมากราบนมัส ก, การสนทนากับท่านพระมหาภัยบูร์กันต่อที่นี่แหละนะคะวันนี้ก็พอควรแก่เวลารายการสันสนาสนทนาดำเดนินรายการโดยสันส น, นาคพงศ์ที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร้อยหก ลาท่านในวันนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้พุทธสวัสดีค่ะ